จำกันพูดกับทุกคนทุกท่านสิ่งที่พูดมันมีอยู่กับเราถือว่าพูดกับทุกคนเราก็มาศึกษามาปฏิบัติมาจุ่มมอต่อมาสัมผัส ด, ดูโดยเฉพาะความรู้สึกตัวนี่มันเป็นวิทยาศาสตร์เพราะมันได้คำตอบออกมาพิสูจน์ได้แล้วตอบตัวเองด้วยเหมือนวิทยาศาสตร์ ท, ทั่วไป อย่างหลวงตาเคยไปตรวจโรคที่หมอบ้านผู้ใหญ่ผายจังหวัดปุริลมเรามีทองแดงไม่กี้เราเราลืมไปซะมันทำยังไงก็ลืมไปถ้าใครเป็นโรคมันจะบอกในตัวเราถ้าเอายาเอาต้นไม้ต้นสมุนไพรมาใส่มันก็หยุดเอาต้นื่นืมาใส่มันเต้นแสดงว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์มันถูกวันนี้ ถ้าไม่ถูกโลกในตัวเองก็ยังเต้นอยู่ว่ายอยู่จากหยุดจักย่อนเวลาที่สัมผัสกับเช่นนองแดงมันเคลื่อนไหวแสดงว่ามันมีเครือโลกมันมีไม่จบไม่สิน้นแล้วก็เอาต้นไหวยสมุนไพรที่มันเป็นยามาใส่ดูผู้ตรวจก็เป็นหมอสมุนไพรใครจับดูก็ได้เอายามาจับมาเองก็ได้ไปหามาจากที่ใดก็ได้ แล้วก็หยุดเอายาหน้ามาต้มกินแล้วก็หายถ้าใครอยากไปตรวจดูก็ไปได้จะพาไปอันนั่นเป็นวิทยาศาสตร์แบบโบราณโบราณหมอสมนุนไพรการจเจริญสตินี่ถ้ามันเป็นสติจริงๆมันจะหยุดมันจะสุภาพมันไม่ไปเช่นเห็นกายมันก็แค่นั้นจบว่าเป็นกายกายมันจ ะ, จะแสดงกี่ครั้งกี่หนถ้าเห็นแล้วมันก็จบเหมือน วิทยาศาสตร์ที่หมอเขาตรวจหรอพอมันถูกมันก็หยุดมันไม่ไปไหนไม่มีอุปทานไม่เป็นตัวเป็นตนต่อไปก็อยู่แล้วพอมันรู้สึกตัวมันก็หยุดแค่นั้นอะไรมันก็จบแค่นั้นมันเป็นแค่นั้นมันร้อนก็จบแค่นั้นจบแค่ความร้อนไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีพอใจไม่พอใจถ้ามีพอใจในความร้อนถ้าไม่พอใจในความไม่ร้อนมันก็ต่อไป มันก็เป็นโลกกันหนึ่งความพอใจความไม่พอใจมันเป็นโลกกันหนึ่งจึงรู้สึกตัวมันทีแรกว่าถ้ามันหยุดมันไม่เป็นไรมันไม่ต่อไปอีกถ้าเป็นงารพูดก็ว่ากายเสว่ากายไม่ใช่จัตุรุคลตัวตนเราเขาอันนี้ก็ยาวไม่ต้องเวสาธยายแบบนั้นเรารู้จักตัวมันก็หยุดแล้วไม่ไปก็แจ้งว่ายาถูกโลกรักษา ควความเนิดของโลกได้ควบความเนิดของตัวกูของกูได้อะไรก็ตามมันก็มีที่ตั้งตรงนี้ทั้งหมดเลยในชีวิตเรานะถ้ารู้ถ้าเห็นตัวเนี้ยกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเนี่ยมันหยุดก็จะรู้ว่ามันก็ง่ายแล้วหัวหน้าพบชาติที่อยู่ตรงนี้ก็ว่าได้ถ้าไม่หยุดตรงนี้ก็ ปีจะบวชป้ากี่ปีจะปฏิบัติกี่ปีมันก็ไม่จบจริงยังทุกข์แล้วทุกข์อีกความทุกข์อันเขายังทุกข์อีกความรักความพอใจความไม่พอใจอันเขาก็ยังเอาไม่พอใจไม่พอใจอยู่ไม่ไม่จบความโลภความโกรธความหลงความอะไรต่างๆมันไม่จบมันก็ไปเรื่อยๆเป็นพบเป็นชาติเป็นวัฏฏะสงสารเวียนว่ายไปให้โลกเป็นรสชาติของโลก ความพอใจก็เป็นรสชาติของโลกความไม่พอใจก็เป็นรสชาติของโลกมันรู้เองเพราะสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อพูดตามความคิดเึกมันพูดตามสภาวะธรรมตัวสติที่มันรู้ชื่อเนี่ยอันตัวซื่อเนี่ยมันก็จบแทรกเนี่ยมันทุกข์ก็ทุกข์ชื่อมันหลงก็หลงชื่อมันผิดก็ผิดซื่อมันมีมันมีผิดมีถูก มันไม่สุขไม่ทุกข์มันก็ซื่อซื่อเพราะมันมีรูปมีเวทนามีรูปมีนามมันต้องมีอาการที่มันแสดงออกมาในเหตุปัจจัยต่างๆมันก็ซื่อซื่อไปตัวสติที่รู้ซื่อซื่อเนี่ยมันง่ายๆอันท่าไปซื่อมันคล่องแวะไปสุขก็ค้องแวะไปไปทุกข์ก็คลองแวะไปไปพอใจคล่องแวะไปไปไม่พอใจคล่องแวะไป จึงพยายามใช้ตัวรูซื่อๆกลับมารูซื่อๆไปอย่าทิ้งหลักเหมือนเราตรวจโรคต้องเอาเครื่องมือมาใส่วัตถุที่แสดงก็ไม่วัตถุที่เอามาต่อกันหน่อยมันแสดงออกความหลงแสดงออกไปหลายอย่างไปไกลความรูสึกตัวมนแสดงออกไม่ไปมันหยุดเหมือนพระพุทธเจ้าในทางไม่ไหนอย่างที่เรา กติน ก, กรรมอุปโลกกตินถ้าพระสงฆ์องค์ใดรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรนิ่งที่ก็ใช่ความนิ่งนิ่งหรือสาะทุกข์กันถ้าไม่สมควรไม่ต้องนิ่งแสดงออกมาอันนี้ทำไว้ไหนสติความรู้สึกความรู้ได้เป็นธรรมมรวินยัยเป็นมรรคเป็นผลทำไม่ไหนอันเนี้ย ไม่ใช่ทำวินัยที่จะเอาเงินเอาทองเอาข้าวเอาของเอาหมูมิตรพวกพ้องบริวารเห็นดีเห็นชอบด้วยไม่ใช่เป็นหนึ่งเสียงสองเสียงไม่ใช่เป็นเสียงเดียวแต่ละชีวิตมีเสียงกันเดียวมีเห็นเห็นก่นเดียวอันเห็นอันเดียวเห็นตัวเราก็เห็นคนอื่นก็เห็นตัวเขาก็เสียงเดียวกันไม่ใช่นับร้อยสองร้อย เป็นผู้ชนะคนได้น้อยก็เป็นโคตดแพ้ไปอันนั่นไม่ใช่เราจึงสบายที่สุดเราจะประยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในโลกไหนก็ได้ถ้าเรารู้หลักตรงนี้แล้วไม่ต้องกลัวเพราะมันอันเดียวตัวหลงตัวรู้อันเดียวตัวพอใจตัวไม่พอใจกันเดียวตัวโกดตัวโลภตัวหลงตัวรักตัวชังตีเดต่างหาลาคะอันเดียวใครก็เหมือนกัน จึงเป็นการง่ายอย่าถือว่ามันยากเราลู่ซื่อตัวเด๋อมันสุดอะไรก็ซื่อซะร้อนก็ซื่ อ, ห น, อ, ห, นอ ห, นหนาวก็ซื่อหนาวก็แช่หนาวนะหลวง่อเทียนพูดว่าพริกมันก็เผ็ดแช่พริกแช่เผ็ดเกลือก็เฉ็มแช่เกลือหวานก็แช่หวานร้อนก็แช่ร้อนปวดก็แช่ปวดมันไม่ไปที่ไหนก็แช่ปวดหนะมันซื่อตรงนั้นแหละ ไม่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่โอ้ยไม่อะไรไม่ต่อไปยาวพวงไปพ่วงไปไม่ใช่แต่คนเรามันไม่ใช่อันซื่อๆมันชอบไปรดชาติใส่วังหารสชาติรอรสชาติมันจะเกิดอะไรขึ้นมาความหลงก็มีรสชาติไปแล้วความไม่หลงก็มีรสชาติไปแล้วความโกรธความรู้ก็มีรสชาติไปแล้ว ว่าไม่รู้ก็มีรสชาติไปแล้วเพราะคนเรามันชอบรสเรียกว่าโลกคือรสรสของโลกไม่ใช่รสของธรรมรสของธรรมเหมือนเป็นรสอันเดียวสัพพะทานังธรรมะทานังกินาติสัพพะลสังธรร ม, มละโสกินาติสัพพะละติธรรมลติทิยาติอนหนักขยโยสัพพะตุขังกินาติรสพระธรรมคือรสซื่อๆเน่ยจะรสทั้งบ่วง ลดพระธรรมชนะลถทางบวงก า, าาาการให้ทานเป็นทานชนะกันให้ทางบวงเสียงพระธรรมชนะเสียงทางปวงการชิ่นไปแห่งทุกอย่างจบลงเป็นสุขในโลกเพราะมันซื้อแล้วมันไม่ไปอีกแล้วเป็นสุขในโลกพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนีไม่ใช่หลวงตาพูดเองเัินก็ไม่ทวารทุกสนใน อ, อายาตะนะของเรา ตาหูจมูกเิ่นกายใจมันมีเยื่อแล้วก็ป้อนเหยื่อันมาตั้งแต่ไหนแต่ละมันเคยกินเหยื่อใครจะเคยป้อนอะไรมันก็ติดเรื่องนั้นเช่นคนสูบบุหรี่ก็ติดบุหรี่คนดินเหล้าก็ติดเหล้าคนเสพกามก็ติดกามคนดูหนังฟังเพลงก็ติดหนังฟังเพลงไปมันไม่หยุดถ้าคนไม่ติดอะไรมันซื่อๆมันก็หยุดแล้ว เราก็ต้องเอาตรงนี้ช่วยตัวเองตรว น, นี้การปฏิบัติธรรมเพราะมันกรรมมันใครติดเครเพื้อนมาก็อย่าไปทอดแทนอย่าเอามาอ้างอย่าเอามาอยู่ข้างหน้าให้มันขวงกันเคยเป็นอย่างนั้นเคยไปอย่างนี้อย่า อ, าอะไรมาเป็นขวงกันอย่ า, าลูกกับเมียอย่ า, าเอาความเก็บผมปวดมาเป็นของกันอย่าเอาความเห็นทิฏฐิปนะมาเป็นเครื่องกัน้น ถลุงออกไปรูซื้อซื้อออกไปรูซื้อซื้อออกไปการรูซื้อถ้าเปียบก็เปียบเหมือนน้ำแต่น้ำมันแข็งมากก็น้ำจริงๆนะเช่นเขาเจาะหินเน่ยเอาน้ำใส่หรือเลื่อยเหล็กเนี่ยก็น้ำใส่อะไรก็ตามน้ำมันอ่อนแต่ว่ามันแข็งอันตัวรูซื้อซื้อเนี่ยมันอ่อนนุ่มแต่มันเข้มแข็งหนะัก มือนเราในฐานในฟังต้นไทรกับต้นอ้อนต้นไทรใหญ่ที่สุดแข็งแต่นอต้นเล็กมันก็ไม่โคดไม่ล้มเหมือนต้นไทรเพราะมันอ่อนตัวรูดซื่อๆไม่กระทบกระเทือนอะไรว่าเช่นเชื่อมแข็งบูดบึง้งเอาจริงเอาจังถ้ารูกก็ไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้แข็งไปแล้วถ้าผิดก็ผิดแข็งไปแล้วถ้าถูกก็ถูก แข็งไแล้วต่างก็มีรถไปทั้งนั้นมันก็ชอบรถแบบนั้นเหมือนขนติดกลินก่นกินเก่าวของเหมน็มนๆเขาก็ติดอยู่นั่นอยู่แถวหัวลำโพงอ่ะพวกติดปิ่นทั้งหลายไปนั่งอยู่แถวท่วมห้องน้ําเหมน็นเขาก็ปูผ้านอนอยู่กับพวาเหมน็นมติดติ่นคนที่ไม่ติดกินเนี่ยก็วันน่เคยแต่ต้องช่วยตัวเอง เหมือนหลงพ่อหลงตาไปวัดสนามไหนไปหาหลงตาองค์หนึ่งเขาอยู่ใกล้ห้องน้าพอเดินข้ามาจะพ่านคลองไปแล้วก็ไปนั่งด้วยไม่เหม็นเหม็นชั่วเออทําไมอยู่ได้เน่ยมันเหม็นชั่วเหรอเอ้ยไม่เห็นเหม็นอะไรเลยเขากสูดหายสูดทางให้กินเอ้ยไม่มีอ่ะเพราะเขาติดเขาไม่รู้อ่ะมันเหม็นเพราะมันติดเพราะมันติดกลิ่นมันเคยกิน เราหลงว่เราเคยชินกับความหลงเราเคยชินกับความไม่หลงเราเคยชินกับความทุกข์เราเคยชินกับความไม่ทุกข์เราเคยชินกับความโกรธเราเคยชินกับความไม่โกรธโว้ไม่โกรธก็ไม่มันก็เคยชินโว้ไม่โกรธก็แม่ก็เคยชินอะไรยื่นให้ก็เอาไปหมดเละปฏิบัติธรรมเอาอะไรต่างๆบางคนก็รู้ไปเป็นผู้รู้ไปเลยบางคนเป็นผู้ไม่รู้ไปเลย บางคนก็ไปเป็นสุขเป็นเป็นผู้สุขไปเลยบางคนก็ทุกข์กลายไปเป็นผู้ทุกข์ไปเลยมันมีรสชาติสติเนี่ยตัวชื่อชื่อตัวเนี่ยตัวชื่อชื่อนะี่ยโลกที่มันเป็นรสชาติของโลกมันจืดไปเลยนะเราพูดเทียนนะพูดว่ามันจืดเอาสำลีชุบน้ำมาบีบน้ำออกมันจืดมีคนอุ้มเด็กน้อยมาเล่นวัด เด็กน้อยมันก้นมันแดงแ เ, ดเอาเทีาดังมือไปจับก้นมันกดลงไป เ, เลือดแดงแดงมันจืดออกจืดออกมันขาวเนี่ยทสมัยเป็นอย่างนี้มันเป็นอะไรมันจืดจืดเลือดไม่มีขาวไปเลยพอวางมือออกเลือดหนังก้นของเด็กน้อยก็แดงขึ้นมาเอามือไปจับเีย ก, กดลงไปมันขาวชืดไปเนะยมันจืดอย่างเนี้ยถ้าก็เปรียบเทียบไปดู มันจืดมันจืดคืออะไรคือซื่อซื่อคือภาวะตัวซื่อๆื่ออันจิยาที่บีบ ก, ก็แนเล็กน้อยไม่มีจิลิยามีวัตถุส่วนธรรมะมันนามธรรมามันไม่ใช่อะไรไม่ใช่สมมุติไม่ใช่บัญญัติอันเป็นปรมาัาจัจะอยู่ในคนเราจะไปโง่ซื่อบือ้อหรือเขาว่าเราปฏิบัติธรรมก่อนโบราณโบราน นี่แหละเป็นคนทันสมัยที่สุดเพราะชีวิตของเราอยู่ในกำมือเราเพ่าอยู่ที่ไหนก็ทันสมัยคนที่ไม่ทันสมัยหัวเาลาะล่องไห้นั่นไม่ทันสมัยล่าสมัยอย่าลุงตาเคอพูดอยู่เสมอว่าหัมโง่เป็นคนล่าสมัยแล้วคนที่มีทุกข์อยู่ก็เป็นคนล่าสมัยคนยังยินดียินไล่ดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจอยู่เป็นคนล่าสมัย เราเอาอะไรมาเป็นสมัย <Ot Patrick> เราลถของโลกมาเป็นสมัยคนทันสมัยเหนือมันนะขี่เองไปเหมือนกับเราวิ่งแข่งคนทันสมัยเขาโลภเขาโอ้ไล่เอวยาวเฉาไล่เฉาเราไม่เอาของขวามาเป็นของเราแบ่งปันกันดีกว่าเหมือนกับคนสองคนวิ่งแข่งกันเหมือนเขาวิ่งแข่งกับเราคนทด่เอาอะไรอะไรก็ของเขาของเขาของกูของกูเราขี่บ่าเขา ให้เขาวิ่งเราก็ขี่บนบ่ามันเขาวิ่งไปทางไหนเราก็วิ่งไปทางนั้นเราอยู่สูขขงกว่าเขาอันนี้หมายถึงนำ ม, มาทาเขาเลาะก็รู้เขาลองให้ก็รู้เขาได้ก็รู้เขาเสียก็รู้เขาสุกขก็ทุกรู้นั่งรถเอานั่งรถทั่วร์หายายเออเขาสุขเออเราก็ไม่เห็นเมอะลรซื่อๆความสุขของเขามันเป็นซื้อๆของเราความทุกข์ของเขามันเป็นซื่อๆของเรา ท่านจะมายไม่แบบเนี้ยแค่น้อยท่านจะมายทุกของเขามันเป็นความซื่อชื่อของเราความรักของขโมยเป็นความซื่อชื่อของเรามันไม่มีรสชาติอะไแต่เขายังร้องไห้เสียใจตางหรตายเคมีผู้หญิงสองคนมาหาคราวเดียวกันคนหนึ่งสามีตายุบัติเหตุคนหนึ่งสามีหนีไปมีแอนใหม่ สองคนทุกเท่ากันคนที่สามีเสียชีวิตเพราะบุิเวณสามีเขาเป็นคนดีอีกคนหนึ่งสามีเป็นคนไม่ดีแต่แบบความทุกข์สองคนเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันไหมคนทุกข์สองคนนะเอ่อลุงตาไปถามว่าทําไมยิ่งทุกข์เหลือเกินไม่มียิ้มแย้มเปี่ยมใสเลยเศร้สาสมองไปทําไมหนูสามีของหนูเป็นคนดี มันจะทำไงก็ไม่ได้เพราะสามีของหนูเป็นคนดีมันอยู่ในหัวใจเห็นแต่ความดีของเขาเอาทุกเอาคนเนี้ยเป็นไงทำไมจึงทุกข์เหลือเกินเขาไม่ชื่อตรงต่อเราลงทุนลงแรงกันมาเขาเที่ยงเหล่านี้ไปเขาเที่ยงเราไปทุกทำไมเขาทำ น, นั้นทุกทำไมเขาจึงตาจากเราไปทุก ว่นน่าจะตายเลยเป็นคนดีทุกโอ้มันคนคนไม่ดีไม่รับผิดชอบอ่ามีลูกมีเมียไม่รับผิดชอบไปชอบยิงอื่นทำมาอย่างทานั้นมันก็ทุกข์เหมือนกันความดีกับความไม่ดีมันทุกข์เท่ากันถ้ามองดูๆเรามองดีๆลรมันซื่อซื่อเฉยเลยมันก็ซื่อซื่อของเขา โกมทุกโกเป็นซื้อซื้อวันไม่ไม่ไม่ไปไกลมันแค่นั้นเต่ยจวันมาแล้วมันก็ยังไม่ซื้อมันเอามาทําไมทําไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างไี้มันไม่ซื้อไอวนเวียนอยู่เป็นขอบกว่าดุกวนเวียนไปอันเก่ามาคิดคิดจำแล้วคิดจำเบกหาเรื่องคิดหาเรื่องปัญหาต่างๆมันวนมันไม่ซื้อ มันเหมือนขอบกอดด้งมดแดงไตกระด้งเวียนไปเวียนมาเขาเรียกว่าวัฏตักเวียนว่ายตายเกิดมันไม่ซื้อถ้ามันซื้อมันเคลียออกขอบกอดด้งมังกลมตัดปึ๊บปมันดีดอกหวางปุ๊บลงไปนะเอาทิ้งไปทิ่บนเนี่ยขอบกอดด้งที่มันเป็นไม้ไผ่ที่มันเป็นเช่นแล้วทิ้งไปน่ะจิ้งไปมันก็ไม่ไหลนะเพราะมันซื้อแล้วถ้ามันกลมมันไม่ซื้อมันก็ทิ้งไป จนจุดเบียงจุดเบียงตรงไห น, นโสกะไปเทอะวะทุกโทมนัตตุปัสสายาตตายไปเกิดตายเกิดตายเกิดตายโมนัตตุปัสสายาตพบหนึ่งพบหนึ่งพบหนึ่งนับไปทวนพบชาติที่อยู่ในตรงนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงว่าตัดพบตัดชาติสิ้นพบสิ้นชาติเพราะ อ, อะไรเพราะมันซื่ซอออะไรมันยากกนอะไรมันยากอะไรมันง่ายอะไรเป็นธิริสะต์อะไรมันล่าจา้อยอะไรมันทันสมยัย ไม่ใช่ว่าโอ้ยคนโบราณเขาวัดเข้าว่าเหมือนพระเจ้านำปิยะถามรัฐบาลจะลูกเจ็ดทีมาบวชรัฐบาลยังหน่มยังหล่อผมก็ยังดำอยู่มาน่าจะบวชเลยทำไมหนอรัฐบาลจึงไปบวชเขาก็คิดว่ารัฐบาลจะต้องเลือกได้ เอาเย่งขาดานไหนก็เลือกได้ผู้หญิงมาขอแต่งานเลือกได้ทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลตั้งแต่เกิดมาคําว่าไม่มีไม่เคยได้ยินได้ยินแต่คําว่ามีทังนั้นอะไรก็ตามให้เหมือนวัดป่าสุโกโตนะอะไรที่ให้มีเยอะแยะหลายอยา่างแต่รัฐบาลคําว่าไม่มีไม่เคยได้ยินตั้งแต่เกิดมา พระเจ้านามปิยะสนใหญ่เอ๋ทำไมจึงไปบวช่าถามรัฐบาลท่านยังหนม่มผมยังโกดำโลกชนเดียวของเศรษฐีเ ธ, ธานจะมีความสุขความสะดวกสนานในโลกมากที่สุดรัฐบาลตอบว่าโลกนี้ ไม่มีใครป้องกันได้ไม่เป็นใจเฉพาะ ต, ตนย่อมลดทิ้งในริงนักปวงไปโลกนี้เป็นธาตุของความอยากไม่รู้จกจบจากสิ้นอะไรจะมาได้พระเจ้านำไปจะโอ้มันก็มองคนละอย่างอาจจะมองให้รัฐบาลมาคลองจับสมบัติเอาลูกเอาเมีย เ, เ, เป็นข้าบอดีแทนบิดามาันดาละบมลุก คือเสียงแรงนามคนสมัยก่อนคนเจิดถีเนี่ยมีชื่อเสียงคนจนเพิ่งได้รัฐบาลควรที่จะเป็นไปทำนองนั้นแต่ว่านั้นไม่ใช่มันไม่มีใครป้องกันได้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายแบ่เป็นของสมบัติของโลกเปลี่ยนกันใ ช, ช่เฉ ย, ยเอามาจริงน่ะเราดูซิในชีวิตเราไม่กี่ปีม า, นาเนี้หลงตานี่ นาก็สับสาวเองด้วยหยาดเหงื่อแรงงานบ้านหลังหนึ่งสร้างขึ้นมาก็ทำเองเลื่อยไม้ฟันไม้เองเดี๋ยวนี้ใครเป็นเจ้าของสมัยแม่ยังดูก็ไปได้ไปเห็นแม่นั่งอยู่บ้านในบ้านแม่เราเดินไปไหนมาไหนได้เดินไป ดูห้องนอนแม่เดินไปดูที่ที่เราเคยอยู่มีห้องพ้าอะไรบ้างเล็กน้อยเห็นแม่อยู่ก็ไปได้เดี๋ยวนี้แม่ก็ไปแล้วไม่กี่น้อยใครอยู่ด้านหลานเคย <c oughs> เขาไม่รู้เรา <c oughs> เราจะว่าร้องตามาเลยน้อเน้ะเขาจะว่าอาน้องสาวก็มีอยู่จริงแต่น้องสาวไม่เป็นเจ้าของแล้วน้องสาวมีลูกสาว ลูกสาวคนเดียวเขาเอาผัวแล้วสามีใหม่เพาะว่าเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นแล้วเราไปก็ไม่เหมือนแม่อย่างอดียวก็ไม่ควรไปเลยทั้งๆที่บ้านเราทําเองมันเปลี่ยนกันใช้เฉยๆใช่ไหมบ้านเราทําเองแต่มันเปลี่ยนกันใช้ไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครเป็นเจ้าของย่อมละไปทิ้งไป อะไรเราจะไปเอาอะไรไกลให้มันไม่ซื้ออะไรซื้อซื้อซะเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่ซื้อจะเป็นทุกข์จะมีปัญหากับโลกมากที่สุดเลยแล้วมาปฏิบัติทำหนะ้าจะ อ, าอะไรมาได้มันได้ ซ, ซื้อของชีวิตเราโมลที่สุดการสิ้นไปแห่งความโคตรกงอเป็นความสุขในโลกคาว่าโคตรก ง, อ, งอคือความหลงความอยากกิเลสตหาทั้งหลายมันคต มีเมียแล้วทิ้งเมียหนีไปมันคดคนก็ทุกข์พอมันคตมีเมียแล้วตายนิจากกันไปเอาคนก็ทุกข์พอมันโคตรด้านก็ยังของจริงบม่อมันไม่ป้องกันได้ชีวิตอาเจีเข้ามาออกก็ตายหาย อ, อกไปเขาก็ตายสารพัดอย่างนั้นไม่ซื่อเรามารู้ซื่อๆเสาะสติเดิป็นตัวซื่อๆ อ, อ, อ, อ, อย่างนี้เอาไหมความซื่ อ, อแบบนี้ ถ้าไม่ชื่อก็ล้าตาใบเช็ดเอาผ้าเช็ดหน้าใบเช็ดดำตามีโูกมีเมียขอให้กังวลเจ็บปวดคอยแล้วแม่ระวังเป็นเมียเราหรือเปล่าเป็นผัวเราหรือเปล่านอกใจเราหรือเปล่าเป็นยังไงไปหรือเปล่าอะไรมันเป็นยังไงงองกันวางเทีผัวติดเล่าเอาเป็นทุก ขับรถไปเรียนเอารถไปจำนำเมียต้องตามไปไถ่เป็นทุกข์ชวนกันมาเลิกเล่าไอ้หลวงพ่อบอกรับปากกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าว่าเขาจะเลิกถ้าเขาจะเลิกก็สัญญากันวกเราสาธุพร้อมกันสาธุทั้งลูกทั้งเมียทั้งคนที่จะเลิกเล่าก็สาธุมันไม่ซื้อมันไม่ซื้อ เราบากงคติดติดก็เป็นทุกต่อคนอื่นถ้ามันไม่ซื่อมันเป็ทุกคนเดียวหนะ่ะมันทุกกับคนอื่นไปอีกเบียดเบียนไปอีกเปียนเปียนแม้แต่ธรรมชาติจริงแวดล้ลอมเปียดเปลี่ยนไปหมดเลยนี่แต่ว่าพูดกับทุกคนนะอันเดียวกันแท้แทเราเนี่ยสองตาก็มีชีวิตอยู่ก็อยากจะพูดอาจารย์ท่านก็สอนอยู่ช่วยช่วยกันไปขอเป็นส่วนร่วมด้วยกับการสอนธรรมะ กับการพูดธรรมะการพูดธรรมะผมก็แค่ฟังแต่การทํามันเป็นเรื่องของเราทําไงเราจึงจะมีสติซื่อก็นี่แหละเรามารู้เนี่ยหัดซื่อมันรู้ถึงตัวมันซื่อไหมอะไรมามาแยกไปอีกอมันหลงอ๋อซื่อกับความหลงว่าแค่นั่นแหละความหลงมันรู้ก็แค่นั่นแหละมันซื่อกับความหลงความผิดความถูกความถูกความไม่ต่างๆมันซื่อไปหมดเลย อย่าไปเป็น eyebrow, ปนะเลยบอกว่าเป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เป็นคำว่าเป็นผู้เห็นอย่าเป็นผืนเอามันเป็นผู้อีกแล้วมันตัวเห็นตัวเป็นอู่แล้วเอา้าไม่รู้จะพูดยังไงก็ว่าสมมุติมาพูดกันในโลกนี้มันมีสมมุติบัญญัติเอาสมมุติมาพูดมาบอกกันเช่นความโกรธเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีความโกรธมันเคยไแล้วเอาสมมุติมาพูดกันเหมือนกับ เขาไปศึกษาธรรมะคนบราณไปศึกษากับอาจารย์เชนอาจารย์ครับความกดเป็นเป็นไงความโลภความหลงเป็นไงจะตอบยันไงเราไม่ชี้น้อยอาจารย์ตอบ ไ, ไงอาจารย์เชนความกนเป็น ไ, ปไงครับความหลงเป็นไงครับอาจารย์เชญกูว่าพวกไม่เท่าตีหวัวโป๊ะเลยไ <laughs> อ้คนมาถามโกรธขึ้นมาหน้าบูดหน้าบิ่งขึ้นมาเก็บหัว อาจารยนะ์ไม่เท่าตีหัวไม่ต้องพูดเลยทำไมมันโกรธขึ้นมาคนถามก็เห็นความโกรธโอ้ความโกรธเป็นนี่เอ้าลากลั บ, บานลืมหวกวงไปอ้าความหลงเคื อ, อะไรหรือกลับมาเอาหวกงอูนี่ความหลงเลนะืออะไไปอย่างนั้นมไม่ต้องพูดใช่ไหมไม่ต้องพูดเลยแล้วใครจะเห็นล่ะตัวลูซ่ซื่อจะไปเห็นก็ อาจารย์ก็ไมาเห็นหลวงตามาเห็นครูบาอาจารย์ไม่เห็นตัวเราเห็นเองเห็นไหมเห็นมันไม่ซื่อกับเราไหมอะไรที่มันไม่ซื่อเกิดขึ้นขณะที่เราจเจริญสติซื่อๆเนี่ยทำให้มันซื่อซะนี่คือการปฏิบัติธรรมคือพูดเรื่องเราทำเราทำเรื่องที่เราได้ยินใจมันก็มีการสมบูรณ์ขนาดนี้แล้วการศึกษา ย่อดชั้นอุดมสมบูรณ์ที่สุดเลยมันมีอยู่แล้วคําพูดมันเป็นสมมติบัญญัติแต่มันเป็นปรมาจารย์ที่เห็นจริงเป็นจริงมันเห็นความรู้มันเห็นความหลงเห็นความสุขควาทุกข์อย่างนี้ใครก็พูดกันสติชื่อๆสติชื่อให้มากที่สุดอย่าให้ลองตาเพื่คนเดียวนะเห็นกันเหรอเจ้าเนสติชื่อๆนะอะไรๆมากๆมันเดือมัดจุกโตเลย ไอ้ก็ชื่อๆไปหมดเลยอย่าไปาเราก็พยายามอาศัยคำพูดของเราสอนเราใจแรงทำไปพางหลุดพ้นไปพางใจแรงทำไปพางปฏิบัติทำไปพางทำงานไปพางบรรลุทำไปพางมัาะมันชื่อๆทีน้อยตามน้ำพริกก็ชื่อๆโอ้ยอย่าว่าอย่ายากอย่างง่ายอา้าวไปทำอะไรก็ชื่อๆไปเลยนะ ใจเชื้อๆไงตำแกแ้วแฉบแฉบแล้วเขียน้อยถ้าใจไม่ซื่อตําแก้วโวแฉบดอกเพราะมันใจคงก่อนนอนไม่เชื่อแม่หุงข้าวให้ลูกน่ะโอ้ยข้าวปอนลูกวิธีอะไรมันจะอร่อยคนแล้วคนเอกแฉบแฉบน้ำนมของแม่ก็แฉบถ้าแม่รักๆเวลาแม่ให้นมถ้าแม่ให้นมล่ะทั้งดูทั้งดอาบ น, น, นลูกก็ ด้วยความร่ายเอาไปเพราะให้นมน้ําใจที่มันร้อนมันก็ได้ร้อนไปแม่ให้นมลูกต้องยิม้มดองหน้าลูกต้องยิม้มใี้เมตตาเห็นลูกกินนมโอ้ยพอใจยิย้มบางคนไม่ยิ้มนะเอาเอารมข้างมาดุมาด่าว่าแสดงด่ากันขณะให้นมลูกลูกก็เป็นคนขี้โกรธไปเลยใช่ไหม อ, อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะ ถ้าทำ้มีสติซื่อๆนี่แหละดีที่สุด